ถ้าเรียนกับหลวงพ่อสักช่วงหนึ่งเนะี่ยชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนนะจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างคนที่หยิบมือถือมาถ่ายรูปนะต้องไม่เคยเรียนกับหลวงพ่อถ้าเคยเรียนจะรู้ว่าตอนที่หลวงพ่อเทศน์เนี่ยไม่ให้ถ่ายรูปไม่ถ่ายวีดีโอทุกคนมีโทรศัพท์มือถือปิดเสียงก่อน ให้เวลาปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนเวลาฟังธรรมต้องฟังด้วยความเคารพนะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเนี่ยกวนสมาธิคน อ, อื่นเขาบาปปิดซะก่อนหรือเราอยู่อยู่เราก็ลุกขึ้นถ่ายรูปกวนสมาธิคนอื่นเับครูบาอาจารย์ถือมากเลยสมัยหลวงพ่อภาวนากับครูบาอาจารย์อย่างเราอยู่ตามวัด เราพูดเสียงดังหรือเราเดินพื้นกระเทือนนี่ถูกดุแล้วท่านบอกเกิดคนอื่นเขากำลังจิตรวมจะบรร ล, ลุมรรคผลเราจิตเขาถอนออกมาเนี่ยบาปนี้มันท่วมหัวนะงั้นเวลาที่เราฟังธรรมก็ดีหรือเวลาเราปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยต้องระมัดระวังสำรวมนะอะไรที่จะกระทบกระเทือนไปถึงคนอื่นทำให้คนอื่นเสียสมาธนะิเราต้องงดเว้นซะยุคนี้ ตัวที่ทำลายสมาธิมากที่สุดคือโทรศัพท์มือถือนี่แหละกำลังฟังธรรมดีๆแล้วกลิ้งๆมานะ่ะมันไม่ได้ตัวเองสมาธิเสียคนเดียวนคนอื่นเสียไปด้วยปิดแล้วนะห็น <laughs> แล้วเวลาแค่ชั่วโมงก ว, ว่าถวายพระพุทธเจ้าซะกนะารฟังธรรมเป็นประโยชน์นะ เพราะคนเราไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยเราลงมือปฏิบัติไปเรามีศรัทธาลงมือปฏิบัติไปรูปลูบคลำคลำไปไม่เข้าเป้าสักที่าวนาตั้งหลายปีก็เหมือนเดิมหลวงพ่อภานากับหลวงปู่ ด, ดุลแล้วเนี่ยพอหลวงปู่ ด, ดุลท่านรับรองแล้วว่าเข้าใจการปฏิบัติแนละ้วท่านบอกพึ่งตัวเองได้แล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูตามสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆนะสายต่างๆที่ดังๆเนี่ย ที่ไปดูทั่วๆเลยอยากรู้ว่าเขาปฏิบัติยังไงกันในพบว่านักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยนะอ่อนมากเลยในเรื่องของจิตศิษยาไม่เข้าใจเรื่องจิตสิกขาเลยบางคนยกคิดว่าจิตสิกขาเนี่ยไม่จำเป็นงั้นมีศีลแล้วก็ไปเจริญปัญญาเลยไม่ต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาเพราะคิดว่าจิตสิษขาเป็นเรื่องการนั่งสมาธิ จิตตะศิขาเป็นการเรียนให้รู้จักจิตของตัวเองไม่ใช่เรื่องของการนั่งสมาธินะไม่อย่ท่านก็เรียกสมาธิศิกขาท่านคไม่เรียกจิตตะศิขาหรอกงั้นบางพวกเนี่ยลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่สนใจจิตตะศิขาไ อ, อ้อาก็จะกําหนดเลยนะกําหนดรูปกําหนดน้ําหรือบางคนก็ใช้การคิดเอาคิดพิจารณาร่างกายนะความสงบอะไรก็ไม่มีจิตไม่ได้มีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาเลย เราชิดพิจณาธรรมะบ้างเพ่งบ้างกำหนดบ้างนะขยับไม้ขยับมือไม่เคยรู้ว่าต้องเรียนเรื่องจิตซะก่อนอยนเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติเนี่ยนะไม่ได้ปฏิบัติกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่คิดว่าทําแล้วจะดีทั้งทที่มันไม่ได้มีผลอะไรต่อการเจริญสติเจริญปัญญาจริงเลยเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติเนี่ยคือพวกบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจ กระทั่งในสายครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนกับท่านนะคราวหนึ่งไปอยู่ในวัดตอนค่าเนี่ยคนไปนั่งสมาธิกันเต็มโบสถ์เลยหลวงพ่อก็ไปดูในโบสถ์ไม่พอนั่งเพราะโบสถ์เล็กๆตัวกว่าห้องนี้หน่อยเดียวคนไปอยู่รอบๆโบสถ์นี่เต็มไปหมดเลยทั้งนั่งสมาธิทั้ทงเดินจงกรมเราไปเห็นเรานึกในใจนะก็ไม่ได้ปฏิบัติใจคิดอย่างนี้แนตะ่เขาไม่ได้ปฏิบัติมีแต่พวกนั่งเพ่ง เครียดอีกพวกหนึ่งก็นั่งเคลิ้มๆนเนี่ยพวกทําสมาธิผิดอย่างพวกแรกที่ลงมือเองก็กําหนดไปเลยนะพวกนี้ไม่ทําสมาธิเลยอีกพวกหนึ่งทําสมาธิก็ทําสมาธิผิดกันอีกไปบังคับจิตให้นิ่งทําจิตให้ครบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่เส้นทางของการเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เรียนเรื่องของจิตศึกษาให้ดีสะก่อนรู้จักไตรสิกขาไหม ศีลศิษยาจิตสิกขาปัญญาศิกขาปัญญาศิกขาเรียนวิธีที่จะรู้ความเป็นจริงของรูปของนามคือทําไงจะรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามศีลสิษยาเนี่ยเป็นการปรับพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยสมาธิมันจะเกิดง่ายคนไม่มีศีลสมาธิมเสื่อมมันไม่เกิดหรอกจิตศิกขาเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมของจิต ให้จิตมีความพร้อมสะกก่อนแล้วเอาจิตที่มีความพร้อมแล้วไปเจริญปัญญาหลวงพ่อดูหน้าพวกเราในห้องนี้จำนวนมากเลยยังขาดจิตสิกขาบางคนก็มีสมาธิเนี่ยคนที่เบอร์อะไรเนี่ยคนแถวที่สองเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิที่ดีจิตติดอารมณ์ติดอย่างนี้จิตอย่างนี้เอาไปเดินปัญญาไม่ได้ จิตใจนี่สงบอยู่เฉยๆนะสบายเพลินๆไปเท่านั้นเองพวกเราส่วนใหญ่นะฟุ้งซ่านด้ยซ้ำไปหน้าตาโง่เฮงให้นะเห็นหน้าเรารู้เลยว่าไม่ได้เรียนเรื่องจิตมาเลยนะฟุ้งซ่านแต่ละคนเนั้นต้องเรียนไปตามลำดับลาดับนะอย่างหลวงพ่อที่เล่ า, มาเมื่อกี้ว่าไปดูเขาปฏิบัตินะเขานั่งสมาธิเขาเดินจงกลมกันเต้เนไปหมดเลยเป็นร้อยๆอยคนนะ ใจเรายัางอุทานออกมาว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติพอตอนเช้าขึ้นมานะเขาไปกราบหลวงปู่หลวงปู่เห็นหน้าปุ๊บนะหลวงปู่ท่านยิ้มยิ้มท่ า, าก น, นก็พูดบอกว่าวัด น, นี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วละหลวงพ่อ น, นี่นะผมูอายมากเลยเราชิดชั่วแล้เราไปดูคนอื่นนะแทนที่เราจะดูของเราเอางแล้วครูบาอาจารย์รู้ทันซะอีกนะไม่ได้บอกท่านสไนยเช้าขึ้นมาโดนท่านเฉงนะว่า วันนี้เขาไม่ปฏิบัติแล้วล่ะมันคือประโยคที่เราคิดฟรามาถคนอื่นครเขางั้นพวกเราต้องเรียนเป็นลำดับไปนะทำไงเราจะมีจิตที่ถูกต้องพร้อมที่จะเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความเป็นจริงของรูปนามกายใจนะการรู้ความจริงของรูปนามกายใจคือคำว่ารู้ทุกข์ถ้าถ้ารู้ทุกข์ได้ก็ละสมุทัยได้แจ้งนิโรธได้เกิดอริยมรรคได้ ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่ลาสมุทยัยไม่แจ้งนิโรธไม่เกิดอริยมรรคเนี่นี่ก่อนจะรู้ทุกข์ก็ต้องเตรียมจิตะก่อนจิตยังไงที่เป็นจิตที่พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาต้องเป็นมหากรุสลจิตเรียนอภิธรรมกันบ้างไหมในนี้หรือว่าเป็นสำนักปฏิบัติที่นี่ปฏิบัติอย่างเดียวเอางั้นพูดภาษาที่คนที่ไม่ได้ท่องตาํารารู้เรื่องนะ จิตที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยต้องเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีสองชนิดชนิดหนึ่งประกอบด้วยปัญญาชนิดหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาเังั้นจิตที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยต้องเป็นจิตที่เป็นกุศลด้วยเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยและจิตที่ประกอบด้วยปัญญายังแยกได้สองอย่างนะเกิดขึ้นเองกับต้องโน้มน้าวให้เกิดต้องเป็นจิตที่มีปัญญานะเดินปัญญาได้เองนะเกิดขึ้นเอง ถือว่าเป็นจิตที่มีกําลังกล้าแต่ถ้าเป็นจิตที่ต้องบิวต้องอัพต้องอะไรนะเพื่อจะให้เกิดปัญญาเป็นจิตที่อ่อนแอไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงหรอกะงั้นก่อนที่จิตเราจะเป็นจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยที่ไม่ได้จงใจให้เกิดเนี่ยเราจะต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานี่จิตเป็นอนัตตาอยู่ๆสร้างขึ้นมาไม่ได้เราต้องทําเหตุของมันเราต้องรู้ก่อนว่าลักษณะของจิตที่ว่าดีพิเศษนี่มันเป็นยังไง จิตที่เป็นกุศลจะมีลักษณะอันแรกเลยมันมีความเบาถ้าเมื่อไหรจิตหนักเนี่ยจิตหนักเนี่ยนะเป็นอาุศลแล้วจะมีความนุ่มนวลถ้าเมื่อไร่จิตแข็งนะเป็นอาุศลแล้วงินพวกเราที่ปฏิบัติเนี่ยพวกนึ่งจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อเนี่ยจิตอาคุศลนะแล้วนั่งสมาธิกันแทบตายเลยแล้วกาเกิดจิตอาคุศลขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเกือบร้อยละร้อยของพวกที่นั่งสมาธิ เป็นนั่งสร้างจิตอคุศนขึ้นมาเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะไม่รู้เนื้อรู้ตัวลืมเนื้อลืมตัวมีแต่ความเคลิบเคริ้มไปหรือเป็นจิตที่ประกอบด้วยราคานะะเพลิดเพลินยินดีพอใจอยากเห็นโน่นเห็นนี่นะเที่ยวสนองกิเลสไปเรื่อนยะออกรู้ออกเห็นสารพัดจะรู้จะเห็นอีกพวกหนึ่งประกอบด้วยโทสะนั่งไปเครียดไปเมื่อไหร่จะสงบสติวย่ยนะอ๋อสงบสงบสงบิว่าอย่างเงี้ยนะไม่สงบ เนี่ยจิตมันประกอบด้วยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลนะเป็นจิตที่มีกิเลสแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตมันเป็นกุศลจริงนะจิตจะเบาจิตมันจะอ่อนโยนจิตมันจะนุ่มนวลจิตมันคล่องแคล่วว่องไวถ้านิ่งๆซื่อบื้ออยู่แล้วก็ไม่ใช่นะงั้นเวลาที่พวกเราฝึกจิตฝึกใจทําสมาธิเรามัดระวังระวังให้ดีนะนั่งไปแล้วใจมืดมืดบอดบอดหรือนั่งแล้วเห็นแสงสว่าง เราส่งจิตตามแสงออกไปเห็นนอนเห็นนี่อ้นั้นก็ดีเหมือนกันนะจะกลัวบาปกลัวกรรมไปเห็นนรกเห็นสวรรค์แต่ไม่ใช่ทางเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเห็นนรกเห็นสวรรค์ น, นั้นไม่ได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจตัวเองนะดังนั้นจาก้นทุกจริงๆนทิ้งกายทิ้งใจไม่ได้ต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจไปนี่ทำไงเราจะเกิดจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาไดนะ้ฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง แล้วคอยรู้ทันจิตไปเรียน ร, รู้เรื่องจิตไปลองหายใจซิลองหายใจสบายๆรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูลองปรับตั้งแต่พื้นฐานเลยนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูรู้สึกไหมร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัว นนโมหะแทกแล้วซึมไปล้วพอใจให้รู้สึกตัวก็ถ้าลืมตาขึ้นมาก็อย่างี้ไม่ได้นะกิเลแสแทรกไปละหายใจไปรู้สึกตัวไปแล้วสังเกตจิตเราหายใจไปรู้สึกตัวไปนะฟุตโทไปด้วยก็ได้แล้วสักพักเดียวจิตจะหนีไปคิดเรื่องอื่นหายใจไป แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลองทำดูไม่ใช่หายใจให้สงบนะหายใจแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดรู้สึกไหมมันสายไปสายมานะเนี่ยรู้อย่างนี้แหละเรียนรู้จิตไปนะถ้าเมื่ อ, อไรเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิด เมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยจะเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันตรงข้ามกับจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตส่วนใหญ่ที่พวกเรามีมันคือจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงี่เราจะคอยมีความรู้สึกตัวขึ้นมานะเราติจะได้จิตผู้รู้ได้ คอยรู้ทันนะทำกรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะส่วนใหญ่มันจะหนีไปคิดทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเราสั่งให้จิตรู้เกิดไม่ได้แต่เมื่อไหไร่เรารู้ทันว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่เจตนาให้เกิดฉะนั้นะต้องเกิดเองที่หลวงพ่อบอกว่าจิตที่เป็นกุศลจริงๆต้องเกิดเอง จงใจให้เกิดนะั้นเป็นจิต ท, ที่เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนะงั้นทุกวันต้องฝึกถ้าเราอยากดีอยากข้ามวัฏฏะให้ไดนะ้ไม่ใช่แค่ว่านั่งไปส่งเดชฝึกไป10ปี 20, ปี30ิปีมก็เหมือนเดิมนะลดล้ากิเลสอะไรไม่ได้สักอย่างงันขั้นต้นนะฝึกให้ได้จิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึาา้นมะาด้วยการรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างนึงแล้วรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิด บางทีมันไม่ไหลไปคิดบางทีมันไหลไปเพ่งก็ได้เช่นเรารู้ลมหายใจนะจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างเงี้ยก็ให้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจบางคนดูท้องผ่องยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไม่รู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะใช้ไม่ได้จิตไม่เป็นผู้รู้หรอกจิตเป็นผู้เพ่งถลำลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องบางคนขยับมือจิตหนีไปคิดแล้วไม่รู้นะหรือบางทีจิตหนีไปเพ่งอยู่ที่มือเราไม่รู้กลายเป็นจิตเพ่ง งันจิตรู้เนี่ยนะที่ตรงข้ามกับจิตรู้นะมีสองตัวนะคือตึงเกินไปกับหย่อนเกินไปจิตที่หย่อนเกินไปจิตหลงไปคิดเป็นส่วนใหญนะ่จิตที่ตึงเกินไปก็คือจิตที่เพ่งบังคับเอาไว้ถ้าบังคับอยู่เนี่ยใจจะแน่นๆนะ่รู้สึกไหมใจมันแน่นคนที่สองนั่นแหละทําสมาธิม า, มามากนะจิตมันติดนิ่งติดสมาธิอยู่ใจมันจะทื่อๆอยูอย่างนี้แหละยิ้มก็ยิ้มไปงั้นแหละ จะมีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่ตลอดเลยจิตอย่างนี้เดินปัญญาไม่ได้เพราะอะไรไม่เห็นใจรักหรอกจะว่างๆนิ่งๆสบายๆไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองถ้าตายไปไปเป็นลมนะไปเป็นพรมเขาเชิญมาเฝ้าโรงแรมถึงเวลาก็ให้กินไข่ต้มกับมะพร้าวอ่อนคอเลสเตอรอลเยอะเลยแหะนะนะ ด, ไดีไม่ดีเอาเระเบิดมาปาเมืนะ่อกี้หัวเราะรู้สึกหม ขณะที่หัวเราะเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมคำว่าลืมตัวเนี่ยคือมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจมันลืมตัวเองนะมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมอย่างตอนนี้รู้สึกไหมหลวงพ่อไปดึงไมออกมาใจพวกเราเปลี่ยนแล้วรู้สึกไหม <c oughs> ให้รู้ทันเรียนรู้จิตตัวเองไว้แล้วเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา ถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยจิตมันจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปลุงผู้แต่งจะเป็นผู้หลงไปหรือไม่ก็เป็นผู้เพง่งเอะลงมือปฏิบตัติลองปฏิบัติซิสังเกตไหมพอบอกให้ปฏิบตัติสิ่งที่ทามันแรกคือขยับตัวทำไมต้องขยับจะได้นั่งสมาธินั่งสมาธิต้องท่านี้สมาธิจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิไม่ได้อยู่ที่กระ บ, บวนกาน ลองดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยทรงสมาธิสมบูรณ์เท่านั้นมีทุกทุกอิริยาบถอะนะเวลาหลวงพ่อบอกให้ทําสมาธิสิ่งแรกที่พวกเราทำคือทําท่าให้ดูดนะีเวลาบอกให้เดินจงกลมก็ตั้งท่าให้ดูดีนะพอตั้งท่าทางร่างกายเสร็จก็ดัดแปลงจิตใจจะทําทจิตใจให้ดูขลุ่มอา้าวลองดูรู้สึกไหม เริ่มทำใจขุมๆแะนไม่ได้กินหรอกเนี่นายละมายานะมายานะมานยาขอนักปฏิบัตินะเมื่อเราเข้าไปแทรกแสงร่างกายเมื่อเราเข้าไปแทรกแสงจิตใจแล้วเราจะเห็นร่างกายอย่างที่มันควรจะเป็นหรือจิตใจอย่างที่ควรจะเป็นได้ไงมันถูกแทรกแสงไปแล้วมันผิดธรรมชาติไปแล้ว จุดสำคัญคือความมีสตินะมีสติงั้นจะนั่งท่าไหนก็ไม่เป็นไรอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่แล้วหมวพ่บอกให้นั่งสมาธิก็แค่นั่งรู้สึกตัวขึ้นมาลองดูดินั่งสมาธิไม่ต้องขยับร่างกายนะแล้วก็ไม่ต้องขยับจิตใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเดิมนะที่เราไม่ได้ขยับต้องเปลี่ยนอิริยาบถซะก่อนไม่มีการดัดแปลงจิตใจซะก่อน รู้สึกไหมว่าสมาธิตรงนี้กับตะเกียไม่เหมือนกันนึก อ, ออกไหมถ้าทําแบบแตะกียนะ่านเนี้ยถ้าไม่คิดฟุ้งซ่านก็ซึมไปแล้วล่ะยิ่งนั่งยิ่งมัวยิ่งนั่งยิ่งมืดยากไปไหมเนี่ยอา้าวสัมภาษณ์หน่อยใครรู้สึกยากไปยกมือหลวงพ่อเห็นว่าพวกเราอ่อนเรื่องจิตสิกขามากนะสมาธิของเรายังไม่ดีพอ พวกที่ทําสมาธิมันก็เป็นมิจฉาสมาธิซะอีกหรือสมาธิเสื่อมซึมไปงั้นทุกวันต้องฝึกเวลาจะฝึกไม่ดัดแปลงร่างกายไม่ดัดแปลงจิตใจร่างกายมันอยู่อย่างนี้ยมันนั่งอยู่อย่างเนี้เรารู้สึกขึ้นมาบางคนนั่งตัวเอียงตัวงอตัวอะไรก็ได้กระดูกกระดิ่ก็ได้นะไม่สําคัญว่าต้องนั่งนิ่งๆจุดสําคัญมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ท่าทางทางร่างกายนะ บางคนนั่งสมาธินั่งซะสวยเลยแต่จิตมันไม่ถูกก็นั่งแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือบางคนเดินจงกรมเดินสวยมากเลยแต่จิตมันไม่ถูกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็นะใช้อะไรไม่ได้จุดสำคัญอยู่ที่ว่าจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บึกบานไหมนะให้เราคอยรู้ทันทำกับมัฐานสักอย่างนึงแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปนี่เพลงละคนที่สาม้เพลงมันจะแน่น นึกว่าดีนะไม่ดีอะไรมันทรมานตัวเองเปล่าๆทำตัวเองลำบากนะเป็นการทาตัวเองให้ลาบากความสุดโตมีสองด้านนะด้านหนึ่งเรียกว่าการสุขาริการุโยกตามใจกิเลสส่วนใหญ่หลงนั่นแหละด้านหนึ่งเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานิโยกทำตัวเองให้ลำบากทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มทำตัวเองให้ลำบากแล้ว จะต้องเดินอย่างนี้ขาเราไม่เหมือนคนอื่นเา้าขาเราสั้นข้างยาวข้างเราก็ต้องเดินให้เหมือนคนอื่นเท่าอีกนะั่นก็ลําบากจิตใจของเรามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็ไปบังคับให้มันนิ่งนะบังคับให้มันซึมทําจิตใจให้ลําบากนะงั้นต่อไปนี้เวลาคิดถึงการปฏิบัติมันจะเริ่มด้วยการแทรกแสงตัวเองนะแค่รู้สึกขึ้นมาขณะนี้นั่งอยู่แล้วรู้สึกไหม หลวงพ่จะสอนให้ทํากรรมฐานไปเลยนะเราจะได้เอาไปฝึกต่อได้ลำ่ังเทศไปฟังซีเดีเอาต่อไปนี้ทำกรรมฐานสังเกตไหมพอได้ยินว่าให้ทํากรรมฐานนะทําเป็นจิตให้เรียบร้อยแล้วรู้สึกไหมเริ่มปลอมละถ้าจิตอย่างนี้ไม่ไม่ทํากรรมฐานจิตอย่างนี้ถึงจะใช่ต้องต้องซึมซึมถึงจะเป็นกรรมฐานซึมเป็นชื่อของซ้วม ตัวอะไรหัวเราะรู้สึกไปต่อไปนนี้นะเรานั่งอยู่แล้วรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่รู้สึกว่าร่างกายนั่งอยู่นะรู้สึกไหมร่างกายกําลังหายใจอย่าดูที่ลมหายใจให้ดูร่างกายทั้งตัวเนี้ยมันกําลังหายใจ ถ้าดูที่ลมหายใจจิตจะไปเพ่งลมสุดท้ายจะเป็นกสินลมหลวงพ่อเล่นลมตั้งแต่เจ็ดขวบเมื่อกี้เห็นรูปครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยรูปขาวดํานะหลวงพ่อเรียนสมาธิเบสิกเลยจากองค์นี้แหละที่ท่านพ่อหลีมาราโสคารามตั้งแต่เจ็ดขวบถ้าตอนเจ็ดขวบหลวงพ่อเรียนนะถ้าหลวงพ่อเจอหลวงพ่อฤาษีท่านต้รักหลวงพ่อมากเลยนั่งไม่กี่วันนะออกรู้ออกเห็นงนอกแล้วนะ ไปเที่ยวโศงสวรรค์ไร้นอนไฟไปมาๆ น, นหลายวันเข้ารู้สึกไปเห็นเทวดานะเขาอยู่ก่บเขาไม่ได้เขามีของกินเขากินกับเขาไม่ได้นะเขามีดอกไม้สวยนะั่นไปเด็ดเที่ยวก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเหมือนก็ดูหนังเท่านั้นเองเนไม่เห็นมีประโยชน์เลยใจมันรู้สึกงี้นะแล้วก็อย่างกลัวว่าถ้าจิตออกนอกไปไปเห็นผีเขาจะทํำยังไงใจมันกลัวตรงนี้นะไม่ยอมให้ออก พยายามนั่งแล้วก็พอใจมันจะเคลิ้มจะไหลออกไปสว่างออกข้างนอกไปไม่เอานะกลับมารู้สึกตัวตอนเด็กไม่รู้หรอก ว, ว่านี่คือฐานสําคัญนะในการฝึกที่จะเจริญปัญญาต่อไปถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวเส็แล้วเราจะเจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราลืมกายลืมใจจะเอาความจริงที่ไหนมาดูเพราะเราลืมกายลืมใจไปตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหม แต่เมื่อกี้ไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะหลงไปคิดนะคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องที่หลวงพ่อพูดนะตอนนี้นั่งอยู่เห็นไปเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายอย่าลืมความว่าสบายเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่สบายถ้าจิตมีความสุขสมาธิจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าจิตไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดทำใจสบายยิ้มหวานๆับตัวเองนะ แล้วก็เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าค่อยๆดูไปให้ดูใจตัวเองไม่ใช่ให้ดูหลวงพ่อดูออกไหมว่าใจมันหนีไปหนีมาดูออกไหมนี่แหละคือบทเรียนขั้นต้นของจิตสติกขาเราจะเรียนรู้จิตตัวเองเราจะเห็นว่าจิตนี้แสบสายตลอดเวลานะ เ ด, เดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขนะ์มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ไ, ไปเรื่อยๆให้คอยรู้ทันมันเวลาที่มันหลงไปมันไหลไปแล้วเรารู้ทันนะีสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตไม่ได้แปลว่าสงบนะอย่าไปคิดว่าสมาธิแปลว่าสงบนะต่ําต้อยเกินไปสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต จิตจะตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นผู้คิดแล้วัุกทีเนี้ยรู้สึกไหมใจไหลแวบไปคิดห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นะให้เรียนรู้มันไปว่าเนี่ยจิตมันไหลไปรู้สึกจิตไหลไปรู้สึกแล้วก็กลับมารู้สึกร่างกายมันหายใจฝึกนะจะได้ได้ของดีสมาธิพวกเราอย่างอ่อน เห็นร่างกายหายใจแล้วก็รู้ทันจิตนะเห็นร่างกายหายใจไปแ้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะจิตไหลเข้าไปอยู่ในร่างกายรู้ทันนะพวกเรารู้สึกไหมว่าจิตใจของเราตอนนี้กับตะเกียมไม่เหมือนกันรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่ามันสงบขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ได้บังคับมันนะเรื่องสงบในะเรื่องเล็กมากเลยแค่มันไม่ฟุ้งซ่านมันก็สงบแล้วละ่ะ ทำไมมันถึงไม่ฟุ้งซ่านเพราะเรารู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านถ้าเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบอัตโนมัติเพราะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเมื่อไรมีกิเลสแล้วเรามีสติรู้ทันนะกิเลสจะดับอัตโนมัติสมาธิจะเกิดอัตโนมัติใจจะสงบใจจะสว่างใจจะสบายถ้าทําสมาธิอย่างที่หลวงพ่อบอกนะใจจะสว่างนะใจสบายสว่างมีความสุขสงบ ต้องฝึกนะของฟรีไม่มีแบ่งเวลาไว้ทุกวันวันหนึ่งฝึกหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปยอย่างน้อย15้นาทีต้องทำทุกวันนะ15นาทีถวายพระพุทธเจ้านะถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะถ้าหากหายใจไปแล้วใจเริ่มเคร่งเครียดหยุดก่อน หายใจลึกๆแล้วถอนใจสักทีหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าถอนใจเราไม่ดีนะเวลาที่คนเครียดะเวลาคนกุ่มใจนะธรรมชาติจะบอกให้ถอนใจเวลาถอนหายใจเราจะเครียดน้อยลงใจที่เครียดทำสมาธิไม่ได้ใจต้องมีความสุขถึงจะทำสมาธิได้ดูออกไหมว่าจิตไหลไปไหลมา จิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมารู้ทันเรื่อยๆไปอย่าไปบังคับให้นิ่งถ้ามันเริ่มซึมก็ลืมตาขึ้นมาเงยหน้านิด น, นึงนะอ้าปากด้วยก็ได้นะเห็นไหมพอเรา แ, แค่ขยับนะใจก็สว่างขึ้นมาใหมนะ่นั่งเอาความรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งเอาสงบซึ้บือ ค่อยๆฝึกนะตัวนี้เป็นพื้นฐานถ้าพื้นฐานเราไม่ดีเราจะไปเจริญปัญญายากหลวงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่เจ็ดขวบเล่นสมาธิอยู่22ปีเนสมาธิแบบโน้นแบบนี้เคยเล่นส่วนใหญ่แต่ก็รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบสมาธิพวกหนึ่งเป็นมิจฉาสมาธิสงบซื่อบื้อไม่มีสติหรือว่าฟุ้งซ่าน ออกรู้ออกเห็นข้างนอกนะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นโน้นเห็น น, ôn, น, นี่เห็นไปหมดเลยในโลกไม่เห็นกิเลสตัวเองเท่านั้นเองเห็นแต่ของอื่นแต่ไม่เห็นกิเลสตัวเองเนะนี่ยพวกมิจฉาสมาธิสมาธิที่ดีมีสองอย่างอห น, นึ่งจิตสงบอยู่เฉยๆนะจิตเป็นกุศลแต่ไม่เดินปัญญาอีกอานหนึ่งจิตถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดู เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดนะูเห็นความสุขทุกเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นความดีความชั่วโบลบกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่เป็นตัวเราอะไรที่ถูกดูอันนั้นไม่ใช่ตัวเรานะแต่เป็นนี้เรารู้สึกที่ร่างกายใหม่นะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกใจเป็นคนดูรู้สึกรู้สึก รู้สึกไหมร่างกายเนี่ยถูกเรารู้อยู่ร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไหร่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมานะทุกสิ่งที่ถูกรู้จะไม่ใช่ตัวเราเลยเราจะเห็นอนัตตาทันทีเลยมันไม่ใช่เราเป็นกองที่ถูกรู้ร่างกายนี้กําลังถูกรู้อยู่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึก ร่างกายนี้กำลังถูกรู้อยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็สังเกตได้อีกอย่างนะนอกจากร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตยังทำงานได้เองเดี๋ยวก็หนีไปคิดเห็นเดี๋ยวก็ไหลไปดูเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไหลไปเพ่งลมหายใจเดี๋ยวไหลไปที่ร่างกายเดี๋ยวหนีไปที่อื่นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เองนี่ว่าจิตเป็นอนัตตา นี่หลวงพ่อรวบมาถึงขั้นเดินปัญญาแล้วนะงั้นเบื้องต้นฝึกจิตให้ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนโดยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นนั่งเห็นร่างกายหายใจพอจิตหนีไปเรารู้ทันจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเราก็มาดูร่างกายมันของถูกรู้จะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าเหมือนเราดูหนังเนี่ย ไม่มีใครเห็นหนังในจอนะเป็นตัวเราหรอกถ้าเห็นอย่างนี้ก็เพี้ยนแล้วล่วนะมันจะรู้สึกเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าไม่เที่ยงนะไม่คงที่ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่เดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หายนะเดียยเด๋ยวยนอนเดี๋ยวยานีรู้สึกอยู่ มันจะเห็นในร hey ่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะเห็นจิตใจนะก็เปลี่ยนแ ป, แปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งสแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีดดเดี๋ยวก็ร้ายดีก็ดีชั่วคราวร้ายก็ร้ายชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังแล้วเราก็เห็นว่าเราสั่งไม่ได้จิตใจจะดีจิตใจจะร้ายจิตใจจะสุขจิตใจจะทุก เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้จิตเป็นไปเองเพราะฉะนั้นต้องทำนะสัก15นาทีคหวพราสวดมนต์แล้วก็นั่งไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกนี้ให้มากๆแล้วก็รู้ทันใจเวลามันหนีไปหนีมาพอรู้ได้แล้วใจมันจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาใจเป็นผู้รู้แล้วมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วก็จะเห็นว่า จิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้เราะนั่นแหละเรียกว่าปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้วนะเรามีสมาธิก็เพื่อจะหนุนเสริมให้จิตเดินปัญญาได้ยังสมาธิที่ใช้เดินปัญญาคือสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวสมาธิที่เคลิบเคริ้มลื ม, ลมเนื้อรืมตัวไปเดินปัญญาไม่ได้นะเอาไว้พักผ่อนได้หรือว่าไม่เดินปัญญายัต้องฝึกสมาธิให้ถูกชนิดนะ ต้องสมาธิที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวห้ยใจออกรู้สึกห้ใจเข้ารู้สึกไปเรอยอย่าใจลอยแล้วก็อย่าเครียดถ้าใจลอยก็หย่อนไปถ้าเครียดก็ตึงไปพอได้สมาธิที่ถูกแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอได้หลักไหมยากเรียนกันหลวงพ่ อ, พอใครเรียนครั้งแรกนะงงทุกราย แน่มาจากไหนก็งงนะไปฟังซีดีมีแจกไหมมีไหมออไปฟังนะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อโดยที่ไม่เจอไม่เคยเจอหลวงพ่อนะพ่อนาเป็นเนยอะแยะเลยหลวงพ่อนั่งรถไปเห็นคนเดินข้าวถนนยังรู้เลยนะคนไหนฟังไม่ฟังอะ่ะหน้าตามันไม่เหมือนกันหรอกคนซึ่งมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะแสดงมันไม่ได้เคยฟังธรรมะที่หลวงพ่อบอกหรอก ถ้าฟังธรรมะที่หลวงพ่อบอกนะทั้เดือนสองเดือนสเดือนนี้ชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนไม่ใช่เวลามากหรอกนะอยู่ที่ว่าเราจะฝึกหรือเปล่าสังเกตไหม ใ, หใจลอยใจหนีไปนะคอยรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะคอยรู้สึกไปเวลาเรานั่งอยู่นี่ก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเวลาเราเคลื่อนไหวเราก็เห็นร่างกายมันเดินนะ คอยรู้สึกเรื่อยๆไปฟังซีดีเวานะไปฟังซีดีแล้วไม่นานชีวิตจิตใจเราจะเพียนจากคนที่เคยหลงทั้งวันนะจะกลายเป็นคนที่รู้สึกตัวขึ้นมาจากคนที่ทำผิดศีลหน้าตาเฉยจะไม่กล้าทำผิดศีลจกคนที่ฟุ้งแหลกหลา น, นใจจะสงบใจจะตั้งมั่นแะไม่ใช่ใจซื่บื้อด้วย สมาธิที่ดีไม่ซูเ่อร์้อนะจะทําตาปลอยๆเออเ อ, อ, อยู่ทั้งวันเนี่ยไม่เอาเลยนะสมาธิอย่างนี้เห็นแล้วอยากออืมันวิชาสมาธิอะจิตมันเคริบเคลิ้มนะไม่เคยเห็นว่ากายกับใจแยกออกจากกันได้จะเห็นนะจะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดู ร่างกายกินข้าวใจเป็นคนดูร่างกายขับถ่ายใจเป็นคนดนะูเนี่ยทำอะไรก็คอยรู้สึกไปร่างกายทำงานใจเป็นคนดูนะรู้สึกไปสม่าเสมอแล้วปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันจะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไรปัญญาแก่รอบจริงนะจิตจะรวมลงไปเข้าฌานเข้าปัญนาสมาธิของมันเองเราไม่ได้เจตนาเข้า แล้วอริยมรเกิดขึ้นจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้อย่างเวลาที่พวกเราคิดเนี่ยสังเกตให้ดูเบื้องหลังการคิดจะมีเราคิดปุถุชนจะเป็นอย่างนั้นพระโสดาบันนะคิดนะพระอรหันต์ก็คิดแต่มันไม่มีเราคิดของเราจะมีเราอซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดอกีกถึงั้นเวลาคิดทีไรมีเราขึ้นมาทุกทีค่อยๆฝึกไป จนทังจิตมันรู้ความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อกายไม่ใช่เราเมื่อใจไม่ใช่เราอะไรจะเป็นเราอีกไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วก็จะรู้ว่าตัวเราไม่มีจะลาสักกายทิฏฐิได้หมดความลังเลสงสัยในพระศาสนาเชื่อมั่นในพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เชื่อด้วยศรัทธาที่งมงายนะเชื่อเพราะว่ารู้แล้วว่าธรรมะมีจริงๆ ปฏิบัติแล้วเราเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็มีจริงแจ่มจะแน่นแฟนในพะรัตนาไตรไม่ใช่ด้วยความเชื่องม ง, งายตามๆกันแต่เป็นเพราะว่าเห็นผลของการปฏิบัติเนี่ยจิตออกมานอกแล้วรู้สึกไหมจิมไหลไปให้รู้ทันเอาพอสมควรแก่เวลาตรวจกันบ้าน แต่ว่าฟังหลวงพ่อทีเดียวไม่รู้เรื่องหรอกนะอย่าตกใจไปฟังซีดีไปดู YouTube เข้าช่วยตัวเองนิดหน่อยในเดือนสองเดือนข้างหน้าเราอาจจะเป็นคนใหม่ขึ้นมาก็ได้กับนวมัสการหลวงพ่อครั้งนี้เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกครับปกติก็จะฟังซีดีของหลวงพ่อสลับกับครูปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะครับ ทีนี้มีใครฟังซีดีของหลวงพ่ออยู่แล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้สึกแย่ลงให้มาปรึกษาครับวันนี้ก็เลยมามีความมีความสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองครับหลวงพ่อเหมจะว่าออพอเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับหลังๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าใจมันเห็นความทุกข์ที่แรงขึ้นมากๆเนี่ยครับแล้วก็กิเลสในใจอะเหมือนกับ กิเลสมันแรงขึ้นเราเห็นแต่ว่าเราไหลตามมันตลอดเลยอะอยากให้หลวงพ่อช่วยเนีนะ่ยรู้สึกไปว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันดูออกไหมตัวนี <th ew ing> ้เห็นครับแต่ว่าบางทีก็หลงเผลอไปเหมือนกันเพื่อ <thyroid> <t> อยากให้เผลอนานเท่านั้น ди. แะละวิธีที่ไม่ให้เผลอนานคือจิตต้องมีเครื่องอยู่จะอยู่กับพูดโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะแล้วเวลาจิตหลงก็รีบรู้ไว้ๆถ้าทําได้อย่างนี้ทุกวันทุกวันน่ยมันจะไม่หลงยาว ไม่เปนปัญหาของคุณมันก็คือเวลาหลงแล้วหลงยาวงั้นหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งนะขันมันเริ่มแยกได้แล้วมันเห็นกายกับใจแยกส่วนออกจากกันได้เห็นความรู้สึกกับใจเป็นคนละอนกันได้เริ่มเห็นสิ่งนี้แล้วกันที่จะเห็นสิ่งนี้จะยากมากนะกว่าจะเห็นได้แต่ถ้าเห็นได้แล้วการปฏิบัติจะไม่ยากละ ถ้ากําลังของจิตพอสมาธิพอก็จะเดินปัญญาไปได้เรื่อยๆนี่สมาธิไม่พอใจมันฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันใจบ่อยๆสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นสมาธิไม่พอนั่นคือปัญหาแหละเราเหมือนกับไม่แน่ใจครับว่าจริงๆแล้วเหมือนกับติดเพลงแล้วติดในสมาธิด้วยหรือเปล่าใชนะ่ติดมิจฉาสมาธินะสมาธิที่ถูกยังไม่พอ รู้สึกหรือเปล่าว่าจิตขณาเนี้ทื่อๆ อ, อยูนะ่ถ้าให้ทื่อนี้อยู่ตลอดนะใช้ไม่ได้เลยลองนั่งให้หลวงพ่อดูซินั่งเหมือนที่เคยนั่งเน่ะวางไม้ลงก่อนก็ได้เดี๋ยวเกิดตัวลอยขึ้นไปแล้วไม้เขาเสียไปทำนะทำบ่อยๆแต่ว่าตรงนี้สติอ่อนไปนิดนึงละรู้สึกไหมโมหะแทรกนะมันจะซึมเข้ามาเวลาลืมตาขึ้นมันจะเบลอๆไปนิดนึง เพิ่มสติขึ้นนะนั่งไปรู้สึกนั่งไปแล้วรู้สึกอย่าให้เคลิ่ลงไปเมื่อกี้มันน้อมใจซึมลงไปทำอีกทีดูออกไหมว่าจิตไหลไปไหลามาให้รู้อย่างนี้แหละรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามานะอย่าให้มันซึมไปหลวงพ่อครับแล้วถ้า อ, อ, อย่างหลายๆครั้งที่นั่งไปแล้วทันที่จะเห็นจิตตัวเองเนี่ยครับเราเห็นออจิตที่แทรกแซงเข้ามาให้นึกเราไปสนใจของค้านอก ให้กลับมาดูตรงนี้เนี่ยพอเรารู้ถึงสิ่งภายนอกที่แทรกเข้ามานะใจเรายินดีให้รู้ทันใจเราไม่ชอบให้รู้ทันให้กลับมารู้ทันใจตัวเองซึ่งมันมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่แทรกเข้ามาอันหนึงครับหลวงพ่อคือเคยเห็นแบบเหมือนกับมันเข้าไปเห็นสภาวะของกายกับของใจครับที่แบบว่าเป็นความทุกข์มากมากถูกแล้วล่ะอันนั้นถูกแล้วแต่เหมือนกับ จิตมันยังยอมรับไม่ได้นะครับมันยังหวงอยู่ต้องพามันดูซ้ําๆไปนะของคุณใช้ได้นะที่ฝึกเยอะเพียงแต่ว่าสติมันอ่อนไปสมาธิที่ถูกอ่ะมันเลยไม่ไม่มีมันอ่อนไปนิดหนึ่งมันมีเหมือนกันแหละถ้ามันไม่มีเลยมันแยกขันไม่ได้ตอนนี้ขันมันเริ่มแยกแล้วล่ะหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำหรือไม่ไปฝึกทุกวันะฝึกแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมารู้ทันมันไม่เข้าไปแทรกแซง แต่พอเรานั่งไปแล้วมีสิ่งภายนอกแทรกเข้ามาเนี่ยอย่าสนใจของภายนอกให้รู้ทันใจตัวเองใจเราชอบก็รู้ใจเราไม่ชอบก็รู้สุดท้ายของภายนอกไม่มีนัยยะอะไร<อ>ต่อไปอามาส ก, การหลวงพ่อค่ะเมื่อ<ง>หลวงพ่อให้หนูเลิกทํารูปแบบไปจะมาถามว่าทําได้หรื อ, อยังคะลองทำให้ดูซิ สังเกตไหมว่าเราไปรวบจิตเข้ามาเราไปดึงจิตเข้ามาจะทำหน้าให้ดูแล้วเราก็ติดค้างอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้ยัติดอยู่เลยนะวิธีที่จะช่วยนะดูร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเน้ยเอ็ะดูกนะจากหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงใช้การคิดพิจารณา ว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เรานะ่ะไล่ขึ้นไล่ลงอย่างนี้นะจิตมีได้หลุดออกจากที่ติดล็อกอยู่มันทุกข์ธรรมดาธรรมดาไม่เหมือนจำไม่เหมือนตอนนี้อ๋อเหรอเออธรรมดาไม่เหมือนตอนนี้ใช้ได้นะตอนที่หลวงพ่อบอกให้เลิกทําไปก็คือเลิกเลิกทําไปเลยประมา อ, อ, อ, อ, องเดืแล้ ว, ลวต่อไปก็คือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะรู้สึกตัวเรื่ๆ เริ่มแบ่งเวลาในทำในรูปแบบได้แล้วรู้จักเพ่งแล้วใช่ไหมถ้ารู้ว่าตอนนี้ผิดเนะ่ยแว่าใช้ได้แล้วก็กลับไปทำสมาธิได้พอมันจะมาเพ่งขึ้นมาเราก็รู้ทันมันเราก็อย่าไปเพ่งมันมันว่าจิตรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเบามันเบาขึ้นหน่อยเออถ้าเราบาังคับมากก็ไม่เบานะแ ต, แต่แต่ก็ยังยังไม่รู้ว่ามันใช่ ใช้ใช้สมาธิที่ถูกเรีออยง น, นะครับมันดีขึ้นแล้วละนะไปทาต่อไปในรูปแบบก็ทําทได้แต่พอจิตจะย้อนไปเพ่งให้รู้ทันว่ามันจะเพ่งอะไรถอนออกมาหลวงพ่อแล้วอันนี้ขันมันแยกได้ไหมคะมันก็แยกเป็นคราวๆนะแยกอยู่แล้วละได้เหมือนมันเห็นก็คือรู้สึกกายหายใจแบบที่หลวงพ่อสอนนั้นคือคือแยก S <S <S แยกแต่ว่าแย ก, ม, กยมีสองอันอันนึงแยกถูกอันหนึ่งแยกผิดถ้าจงใจแยกนะใจทื่อๆอยู่นะใจที่เป็นคนดูแข็งทื่อๆอันนั้นแยกผิดนะถ้าใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเบาใจสบายใจว่องไวนะแล้วก็เห็นกายมันทำงานไปอย่างนั้นถึงจะแยกถูกแต่ถ้าใจตัวรู้แล้วทื่อๆแข็งๆอยู่อันนั้นจงใจแยกแยกผิดมองว่าเท่าที่สังเกตอะคะ่ะเวลามันเห็นแยกมันจะ นูรู้สึกว่ามันเห็นเห็นด้วยสติมัง้งคมันไม่มันไม่มองใจรักมันแค่เห็นร่างกา น, เ ห, นเห็นสภาวะนะมันยังไม่ได้เห็นใจรักดังนั้นถึงต้องหลวงพ่อบอกว้ต้องไปช่วยมันพิจารณาบ้างเป็นการกระตุ้นให้จิตดูใจรักนะขณะที่เราคิดพิจารณาร่างกายอะไรเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาหรอกแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตดูต่อไปจิตจะดูใจรักเองนะดังนั้นถึงจะเป็นวิปัสนา แปลว่าตอนนี้คือขันมันเริ่มแยกขันเริ่มแยกนะแต่ว่ามันยังรู้โดยไม่เปลี่ยนก็ให้ไปคิดพิจดเจริาส่วนเรื่องสมาธิที่เรายังดูไม่เป็นว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดก็แค่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปสังเเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นะคือการเจริญปัญญานะเราเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นปัญญาละ วันนี้มีแต่เรื่องของพลติดสมาธินะนวัสดการค่ะหลวงพ่อก็เห็นกายเนี่ยไม่ใช่เราแล้วแต่ว่าเห็นใจเนี่ยค่อยจะเป็นเราอยู่เหนี้วแน่นทุกการกระทําก็จะมีตัวเราอยู่ในข้อปี๋แล้วก็เห็นว่าใจเราเนี่ยร้ายกว่าที่คิดเยอะทุกวันทุกวันทุกการกระทํามันมันรู้สึกไหมจะพูดจะคิดจะทํานะมันสนองอัตตาทั้งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เห็นในสิ่งที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างค่ะก็เลยถูกแล้วล่ะ จะถามหลวงพ่อว่ามีอะไรที่ต้องพัฒนาให้ไปได้กว่านี้ไหมคะทําให้สม่ำเสมอแล้วเขาพัฒนาของเขาเองนะไม่ต้องทําอะไรไปก่อนนี้ใช่ไหมคะรู้ว่ารายก็ร้ายใช่ไหมคะเออรายก็ร้ายรายก็ไม่ใช่เราลายนีย่จิตมันร้ายไม่ใช่เราได้นะบางทีใจมันรู้ทันค่ะแต่มือมันไปแล้วค่ะหลวงพอ่อเมื่อเวาจะตบคนนะจิตมีโทสะจิตที่มีโทสะสั่งให้ตก เหมือนเราเห็นมดมือเนี้ยค่ะสติเออหรือจะบี้เห็นไหมค่ะมือมันไปสตินะแต่ใจมันยังไม่ทันไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยรับออเดอร์จากจิตดงก่อนนะมันเปลี่ยนไม่ทันจิตมันเปลี่ยนเร็วกว่าร่างกายก็ขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาส่วนที่บี้มดไม่ต้องถวายนะไม่ถวายค่ะแล้วก็ถวายหลวงพ่อด้วยค่ะอนุโมทนาภาวนาใช้ได้เลยล่ะ นี่แหละขันมันแยกละมันแยกอัตโนมัติล ะ, ะกับนวั ก, กรรมหลวงพ่อครับผมปฏิบัติแนวอื่นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้ฟังศีดีของหลวงพ่อประมาณสักเดือนเศษนะครับ mm hmm. ขอกลับเรียนถามหลวงพ่อเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปนะครับในเรื่องของการรู้ทุกข์กับการละสมุทัยนะครับคือรู้ทุกข์เนี่ยผมพยายามดูดูกายดูจิตตัวเองมามาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เวลาเราปฏิบัติเรารู้สึกว่าเราปวดตรงนู้นปวดตรงนี้เหมือนความทุกข์มันบีบขั้นเราแล้วก็เห็นว่าเราควบคุมอะไรมันไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าเรายังคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่ทีนี้เราควรจะต้องคิดช่วยมันไหมครับว่าอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราครับหลวงพ่อครับการคิดช่วยนะใช้สําหรับคนที่จิตติดสมาธิครับเนะอาคุณไม่ได้ติดสมาธิหรอกค่อนข้างฟุง้งเรื่อยซ้ําไปับนะดูไปไม่ต้องคิดมากหรอก รดูไปเื่อยๆอยแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ธรรมะขั้นรู้ทุกขลาสมุทัยนะครั บ, รบแต่นี่มันแค่เรียนให้เห็นว่ารูปนามกายใจนี้ยังไม่ใช่ตัวเราครับมีนคนละขั้นกันครับผม อ, อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการละสมุทัยครับหลวงพ่อครับเราเราต้องตามความอยากของตัวเราเองไปตลอดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเราบอกเราเห็นกับข้าวมีอยู่สิอย่างเวลาเราจะเลือกทานเราก็จะเลือกสิ่งที่เราชอบไปก่อน สมมติว่าเราอยากกินของแบบนี้สองอย่างใน10อย่างเนี่ยมันก็มันก็เกิดตัณหาเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วเราควรจะวางจิตอย่างไรคือไม่ควรไปกินมันเลยหรือว่ายังไงครับไม่ควรมันกินเลยนะมันก็เป็นอัตตากิยามฐานุโยคครับเห็นแล้วก็โดดตะครุบเลยก็เป็นการสุขาริการนุโยคครับผมมีสติรู้ทันว่าใจมันอยากสิครับให้รู้ทันแล้วมันมีจะกินก็กินเข้าไป แต่ตามความอยากได้ไม่ไม่ใช่ว่ตาต้องไปบังคับ<อ>ใช่ไหมไม่ใช่บังคับมันนะแต่ไม่ใช่ตามใจมันนะการมัน ร, รู้ทันมันบ่อยๆครับครับคำ ว, ว่าล่าสมุทไทยของคุณนะการล่าสมุทไทยมีหลายแบบอันนั้นลาด้วยสติเท่านั้นเอง ค, คือเวลามีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันนะความอยากก็ดับไปเดี๋ยวว่าเกิดใหม่ยังอยากกินอาหารนั้นเนี้ยรู้ทันความอยากดับไปแวบเดียวขึ้นอีกแล้วนะ ไอ้อย่างนั้นยังกลับกรอกอยู่มีการละสมุทัยด้วยปัญญาครนะอันนั้นเป็นภูมิธรรมพระอรหันต์นะไม่ใช่เราหรอกวันข้างหน้าที่จะเข้าใจถ้าลาด้วยปัญญาเนี่ยละครั้งเดียวไม่ต้องลาครั้งที่สองเมื่อไรรู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งนั้นล้าสมุทัยอัตโนมัติรู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งนะคือรู้ว่ารูปนามกายใจนี่คือตัวทุกข์ <ค>ไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ <reco Christ. S 2> ้างเนี shirt. ่ยขณะนี้พวกเราจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ทุกบ้างสุกบ้างจิตใจเป็นตัวทุกบ้างสุกบ้างเพราะนั่นมันจะปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ปัญญามันแก่รอบมันรู้ว่ามีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่มีสุขเลยร่างกายนี้มีแต่ทุกมากทุกน้อยจิตใจมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยจิตไม่นปล่อยวางความยึดถือในใจในใจเมื่อจิตมันวางความยึดถือในใจในใจแล้วเนี่ยความอยาก ให้กายให้ใจเป็นสุขไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่เกิดขึ้นเพราะมันรู้แล้วว่าคือตัวทุกข์อยากให้มันสุขก็ไม่ได้จะอยากให้มัน ม, มันไม่ทุกข์ก็ไม่ได้นั่นแหละมันรักสมุทัยนะรักครั้งเดียวแล้วไม่มีลักอีกแล้วมันรักด้วยการรู้ทุกข์รักด้วยปัญญาของเราตอนนี้มันรักด้วยสติแล้วรักได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็มาอีกครับ ก็คือตามดูไปเรื่อยๆนะครับตามดูนะแต่ถ้ามันรุนแรงมากดัดสันดานมันบ้างก็ได้เช่นมันตะกล้ามากแล้วม่กินมันบ้างก็ได้ครับตามใจมันมากนั้นเดี๋ยวมันก็มีกําลังมากขึ้นทรมานมันมากแล้วก็เครียดไปดูเอาแค่ไหนพอดีครับรมบรธีการขอบคุณหลวงพ่อครับค่ะตัวตัวหนูเพิ่งมาครั้งแรกที่ได้มาพบหลวงพ่อนะคะเพราะว่าอยากจะเรารู้สื่ปล่าว่าเราเดี๋ยวนี้เกษตรก่อนไม่เหมือนกัน เอแล้วสงสัยอะไรคือความสือว่าตัวเองปฏิบัติถูกผิดไม่ใช่ของหนูหนะ้าภาวนาถูกแล้วนะต้องทําให้สม่ําเสมอไปรู้สึกไปนะร่างกายมันทํางานไม่ใช่เรารู้สึกแล้วใช่ไหมหนูเห็นได้ชัดแล้วว่ากายกระใจมันคนละส่วนกันความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วกระใจมันก็คนละอันกันนะดูไปแล้วเห็นมันทํางานไปเรืยมันไม่ใช่เรามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่เรา ดูซ้าแล้วซ้ําอีกนะดูจนใจมันพอตอนนี้ใจยังไม่พอไปดูอีกทําถูกแล้วคือเวลาที่ฝึกปฏิบัตินะคะคือเป็นคนที่แบบสมาธิที่แบบเวลาจะนั่งปุ๊บหลับได้ง่ายมากแล้วจะพยายามเพื่อนก็แนะนำวิธีอย่างที่จะไม่ให้หลับตัวหนูเองก็พยายามลืมตามันก็เขิมหลับอีกหางานทําก็หลับทํางานบ้านไปกวาดบ้านถูบ้านทําน้นทํานี่ไปแล้วก็ปฏิบัติตอนนั้นแหละ ให้รู้สึกตัวนนะเวลาที่ทําใช่เคลื่อนไหวไปนะเม็นขี้หลับเราก็ต้องเคลื่อนไหวออกเช็ดบันไดเช็เช็ดหลับก็กลิ้งลงมาทีเดียวก็หายเลยน ะ, ค, ะครูบาอาจารย์นะท่านขี้ง่วงท่านก็ไปนั่งริมเหว์นั่งริมเหวท่านง่วงก็ตกลงไปเลยแต่คนไม่ง่วงเลย รู้สิษยได้ยินนะโอ้โอาจารย์ไปนั่งริมหิวหายง่วงรู้สิษง่วงบ้างนั่งริมกุติหล่นตุ๊บทุกไลนเลย <laughs> มันไม่กลัว <laughs> อย่างนี้คือการฝึกรูปแบบนี้สําหรับหนูนี้จริงๆตัดนั่งสมาธิปเป็นเดินจงกรมอย่างเดียวจะโอเคกว่าหรือว่าเป็นทงานบ้านดีกว่าไปกวาดบ้านถูบ้านบ้านเราเสร็จแล้วกวาดหน้าบ้านต่ออะไรเงี้ยทํางานไปดีกว่าที่เคิคิดทําในรูปแบบนะ ได้คะ่ะไม่สั้หนหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มไม่สะดวกไ่ทำหยิบไปมทำถูกแล้วทขพว้พมาก <c oughs> ค่ะจะถามหลวงพ่อคะ่ะอันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกอะคะ่ะหลวงพ่อคือช่วงนี้กลางคืนเวลานอนอะคะ่ะมันจะรู้สึกว่าเราไม่เหมือนกับเราเรารู้ตัวตลอดเวลาะ ค, ะค่ะก็เลย หลวงพ่อเขาบอกว่าถ้าสงสัยก็ให้ดูว่าสงสัยท่ น, นี้วันนี้มาก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่เราอเรารู้สึกตัวเนี่ยเราคิดหรือว่าเรารู้สึกตัวแค่นั้นค่ะจิตที่จะรู้สึกตัวตอนนอนนะมันจิตที่มีสมาธิจิตของคุณสมาธิไม่พอหรอกนะงันใจมันมีอะไรหมกมุ่นอะไรงั้นวุ่นวายอยู่มากกว่านะมันเลยหลับไม่สนิทนะ มีอะไรกังวลใจอะไรเงี้ยจิตไม่ได้ทรงสมาธิในจุดที่ว่าหลับอยู่ก็รู้สึกอะอยู่ครั้งหนึ่งก็เคยว่านอนแล้วได้ยินเสียงตัวเองอะหักโลเอออย่าง น, านาั้นละดีอย่างนั้นาร่างกายหลับนะใจมันรู้แต่ว่าคนทั่วๆไปอะถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งก็เป็นนะฮะแต่ถ้าสมาธิเราดีนะยังคืนนะ ร่างกายหลับเนะี่ยใจมันเด่นดวงขึ้นมาเลยนะสว่างสวายสบายขึ้นมาเลยนะมนเห็นร่างกายนอนใจเป็นคนดูเดินปัญญาก็ได้หรือทรงสมาธิพักอยู่กับความว่างความสว่างก็ได้นะหรือทาธุระก็ได้จิตยังมีใครมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะในนิมิตอะไรเงี้ยในฝันจิตพูดธรรมะก็ได้อะไรเงี้ยนะอยู่ที่กันที่ว่าจิตเราฝึกไว้ขนาดไหนมันเป็นพี่เอง ของคุณนะ้าไปหาทางหลับให้สนิทหน่อยมันหลับไม่สนิทนะค่ะเป็นคนที่นอนหลับยากอะค่ะนั่นแหละไม่ใช่จิตสรงสมาธิดีเลยรู้ว่าร่างกายมันนอนหลบอกมันเกิดจากว่ามันหลับไม่สนิทหลวงพ่อมีคําแนะนําอะไรที่อยากไปหาหวิธีหลับซะไปให้มันหลับสนิทสนิทแล้วที่ฝึกอยู่เนี่ยคะ่ะหลวงพ่อมันอยากให้หลวงพ่อแนะนํำมาค่ะฝึกอะไร อ, อยู่ล่ะ ก็จะเดินจงกรมทุกวันนะคะประมาณ 10-15 ้านาทีแต่ก็หลงตลอดนะคะว่าหลงตลอดมันเขาไม่ดีสิออกมาเดินตรงนี้ตรงกลางนี้หยุดก่อนมันหลงตั้งแต่ยังไม่ทันเดินแล้วรู้สึกตัวถอยไปรู้สึกตัวก่อนยิ้มหวานหวานเออรู้สึกตัวไปแล้วก็เดินมารู้สึกไหมว่ารวบจิตเข้ามาแล้วอย่าไปรวบจิตเข้ามาอ้านั่นผิดแล้ว ใช้ใจที่ปกตินี่เห็นร่างกายเดินใจหนีไปคิดหยุดก่อนรู้สึกไหมใจหลงไปคิดแล้วถ้าใจหลงไปคิดหยุดรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินใหม่อ้าวเดินเป็นโรคคิดมากนะไปไปนั่งเพราะนั้นไปหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเขาหนูไม่มีอะไรมากหอกเป็นโรคคิดเยอะนะ ฟุ้งซ่าพุทโธไปหายใจไปก็นะให้ฝึกพุทโธใช่ไหมคะฝึกพุทโธฝึกหายใจน ะ, ะแทนที่จะให้มันคิดสเปรสปาให้มันคิดพุทโธไปเรื่อยๆสมาธิไม่พอหรอกงั้นในที่หลับแล้วรู้สึกอะไรมันเครียดหลับไม่สนิทหรอกก็คือให้ไปฝึกพุทโธเป็นหลักแล้วก็เดินสมาธิเดินจงกรมยังต้องเดินอยู่จงกรมไ ป, ไปก็ได้พุทโธไปเดินไปแล้วถ้านั่งสมาธิล้วนั่งก็นั่งไปแล้วก็พุทโธไป นั่งไปด้วยพุทโธไปด้วยนะคะรู้สึกตัวไปพุทโธพุทโธพุทโธไปเข้าใจฟุ้งซ่านก็พุทโธพุทโธพุทโธเข้ททใจสงบก็พุทโธพุทโธไปค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะเห็นไห ม, ไมเวลาส่กันบ้านพูดเหมือนกันนะแต่ว่าคําตอบไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเห็นร่างกายนอนใจอยู่เป็นคนดูตื่นแล้วนะนะฟังแล้วดีนะ ที่แท้นอนไม่หลับอะนอนไม่สนิทนอใช่มันฟุ้งตา อ, อ่ะเอาว่ามาขอโทษค่ะพอดีนะึกถึงเรื่องหนึ่งคือคาบริกรรมที่อยากจะฝึกคือหนูสับสนบางทีจะพุทโธบ้างเดี๋ยวสวมดมนต์บ้างความรู้สึกว่ามันหาอะไรยึดไม่ได้ความเป็นคนที่ไม่มั่นใจใจมแจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วทําอะไรให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปซ่านหนึ่งตั้งอกตั้งใจเอา จะสวดมนต์ก็สวดไปจะพุโทโธก็พุโทโธไปที่จริงพุทโธก็คือสวดมนต์นั่นแหละแต่สวดสองพยางย์อย่าสับสนตัวเองว่าควรเลือกทางไหนทางหนึ้ชัดเจนเ อ, อนเอ า, เอาวันเดียวแหละนะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปสง บ, บไม่สงบชั่งมันนะไม่ได้ทําให้สงบจะทําเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองขอบคุณค่ะขอโอกาสครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่า จิตมันเริ่มไปจับกับโลกน้อยลงเหมือนจิตมันเปลี่ยนไปจากเดิมมากขึ้นถูกถูกแล้วก็เลยจะมาหาพยานนะครับแค่นี้แหละครับมีตรงไหนที่ควรเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมครับก็คอยรู้ทันกิเลสเอานะอย่างมาหน้าตาแบบการยึดในความคิดความเห็นอไรอย่างนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นเราก็รู้ทันมันกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันมันเป็นได้ได้นะทำมาได้ถูกแล้วละขอถอยการปฏิบัติครับอนุโมทนา บางคนถวายหลวงพ่อก็ไม่เอานะแอบกองไว้ตรงที่เดิมค่ะกาบนมัส ก, การ์ค่ะคือยมได้เคยไปปฏิบัติที่หิ่งห้อยชาเล่ค่ะแล้วก็แต่ไม่มีโอกาสได้ได้ถามท่านแต่นี้เวลาที่ในชีวิตประจำวันปกติก็ไม่ได้ไม่ได้เครียดกับการ สวดมนต์นั่งสมาธิมากแต่ว่าทำทุกครั้งที่ที่รู้สึกตัวและมีโอกาสค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะคือในภาวะปกติก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ก็รู้ตัวเองอยู่เสมอแต่ว่าในในยามขับขันเช่นในยามขับขันซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับจากหิ่งห้อยค่ะก็รู้สึกว่า ตัวเองมีความกระวนกระวายอยู่มากมายแล้วก็ทำภารกิจงานไม่จะไม่ทันแต่ว่าก็นึกถึงว่าอะไรก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าก็นึกถึงพุทโธพุทโธในใจแล้วก็หายใจอยู่สามครั้งระหว่างนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเดินอยู่แล้วก็ใจมันจะแยกออกมา แล้วก็เห็นความกระวนกระวายใจที่ล้อมรอบระยิบระยับล้อมรอบ อ, อยู่<ถ>กับใจที่ใสใสตอนนี้ร่างกายมันแล้วก็ความความรู้สึกว่าตอนนั้นก็คือว่าฉันไม่เอาความกระวนกระวายก็ไปดูที่ใจใสใสแล้วก็ไอ้ใจใสใสนั่นนะ่ะมันก็มันก็สบายดีตรงนั้นแล้วก็ กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานได้สําเร็จต่อไปแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขไอความใสๆตรงนั้นนะคะอันั้นเป็นเรื่องของสมาธินะมันเป็นฟุกใช่ไหมคะมันฟุกใช่ไหมคือพอใจมันมีสมาธิมันใสๆอยู่นะแต่คุณไม่เห็นกิเลสตัวหนึ่งใจม่มีโทสะมันมีโทสะแทรกอยู่ะงั้นถ้าเห็นโทสะนั้นดีกว่าเห็นใจที่ใส่อเราเห็นโทสะนั้นนะเราพาใจมันหนี มาอยู่ใจที่ใสเราจะหนีอย่างอันหนึ่งไปสูยอีกอันหนึ่งมันเป็นเรื่องของสมาธิงั้นต่อไปเวลาใจมันเครียดนะใจมันกังวลเราก็เห็นว่าความเครียดกับใจเป็นโคราชกันแล้วถ้าใจไม่ชอบความเครียดให้รู้ว่าไม่ชอบใช่ให้รู้เรารู้แล้วเราก็เห็นความเครียดด้วยใจที่ไม่เครียดไม่ใช่หนีถ้าหนีนี่เป็นสมาธิเป็นเรื่องของสมถะ มันจะทำให้เราหนีมากขึ้นหนีบ่อยขึ้นหนีชํำนานขึ้นแทนที่เราจะรู้ทุกเราจะหนีทุกแต่ถ้าสู้ไม่ไหวจริงก็หนีเป็นคราวๆไม่เป็นไรนะแต่ให้รู้ว่าหนีอย่าไปคิดว่าที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีก็แล้วกันค่ะ แล้วที่ถูกควรจะทํำยังไงคือรู้กวลกวายก็รู้อยู่ว่ากวนกวาดเราไม่ชอบไม่ชอบความกวนกวายรู้ว่าไม่ชอบคค่ะมันหายไปทันทีเลยค่ะเป็นนั่นแหละสติเกิดมันหายทันทีนะมันอัตโนมัติเมื่อไหรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสความกวนกวายเป็นกิเลสนะนี้พอเราเกลียดความกวนกวาดเราก็เอาจิตไปจับไว้ในความว่าง่ อย่างนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ถูกใช่ไหมคะเออมันถูกแบบสมถะค่ะไม่ไม่เดินไม่ปััสนาหรอกเดี๋ยวติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นอีกก็จะรู้ทันจิตไปเออไม่หนีถ้าทนไม่ไหวถึงจะหนีนะถ้าสู้ได้ก็ดูมไปไม่งั้นเมื่อไหร่จะชนะนอสู้กันสิเน แล้วที่ว่ารู้สึกว่ากายมันแยกกนมันนั้นถูกแล้วถูกแล้วละแต่ว่าในการเดินต่อไปนั้นไม่ใช่เราเดินปัญญาไม่ถูกค่ะขันมันแยกแล้วแต่เดินปัญญาที่จะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ถูกถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วก็เห็นวองความกังวลมันเกิดดับไปหรือมันมาเองไปเอง แต่แต่ความกระวนกระวายมันหายไปก็รู้สึกได้นะว่ามันหายไปมันรู้สึกได้ว่ามันหายไปแล้วมันก็เหลือแต่แต่ที่ใสใสเราจะยเราไปยินดีในใสใสให้รู้ว่ายินดีใช่ไหมคะเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วพอใจกับที่ตรงใสใสให้รู้ว่าพอใจให้รู้ว่าพอใจถ้าไม่รู้จะติดค่ะสมาธิทั้งหลายที่ถ้าติดสมาธิอนะถ้ารู้ว่าพอใจในสมาธินั้นจะไม่ติดถ้าไม่รู้ว่าพอใจจะติดค่ะขอบพระคุณค่ะ กับนักสักการหลวงพ่อค่ะคือหลายปีมานี้ที่ติดสมาธาิหลวงพ่อก็บอกว่าให้มารู้สึกตัวทีนี้มันเป็นการที่ติดแบบนานมากอะคะ่ะคือเพิ่งจะไม่นานมานี้เพิ่งจะมาเห็นตัวโทรศัพท์ของตัวเองที่มันฝังรากลึกอยู่ลึกๆอะคะ่ะแล้วมันก็เลยออกมาแบบ กลาเป็นคนที่อารมณ์จะแดงขึ้นอะหลวงพ่อบอกแล้วนะถ้าติดสมาธิออกมามันคิดดอกเบี้ยมันร้ายกว่าคนปกติค่ะแล้วก็ก็คิดว่าเมื่อก่อนตัวเองไม่ค่อยโกรธแล้วเพิ่งรู้ความจริงว่ามันยังมีความโกรธนุโมทนานะเนี่อนี้ถือว่าก้าวหน้านะใน่งันติดก็ติดเฉยอยู่าุค่ะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นคนที่หลงเยอะมากเลย หลงหลงแบบอุตลุดเลยอ่ะค่ะภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะนะเข้าทางที่ถูกต้องครับดีคือที่ทําอยู่คือสวดมนต์น้อยลงเดินจงกรมน้อยลงนั่งสมาธิน้อยลงแต่มันเหมือนแบบเราอยู่ในคอร์สที่เราบังคับตัวเองเกินไปไหมคะบังคับยังไงเหมือนกับต้องทําเวลานี้ทําตามนี้ต้ราทําตั้งแต่ตื่นจนหลับอยู่แล้วการตื่นมาเนี่ยคือตอนนี้ตื่นี่มาก็รู้สึกเลยนะดูกายดูใจทํำไปคือโยมเห็นค่ะ ก็ดีแล้วล่ะเห็นทุกข์มากกับ<ม>ทุกข์น้อย<ม>เห็นร่างกายนี้เป็นแต่ทุกข์นะคะ<ม>คือจะเห็นว่าเป็นสุขนี่มันแทบจะหาไม่เจอะคะ่ะนอนก็เป็นทุกข์หลับก็ไม่ค่อยหลับคือหลับแต่ไม่ก็ยังมีคิดฝันฟุ้งอะคะ่ะตื่นมารู้สึกตัวปุ๊บก็ทุกข์โดดมาเลยอะคะ่ะก็ดีแล้วนี่เมื่อสองสามเดือนที่แล้วพอดีเห็นสภาวะที่ไม่ได้ตั้งใจเห็นนะคะ ขับรถไปทํางานทุกวันต้องผ่านลงอุโมงค่ะใ น, นระหว่างที่แสงแดดมันจ้าจ้าอยู่อะ่ะก็ดูเบิกบานดีใจตอนนั้นมันคงจะจิตมันเป็นสมาธิค่ะพอลงวูบไปมันดํามืดเนี่ยจิตมันพุ๊บแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวพอขับปื๊ดขึ้นมาสว่างอีกมันเห็นจิตเปลี่ยนปุ๊บไปเลยค่ะดีตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูดได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นทินได้รสใจคิดจิตก็เปลี่ยนถูกแล้ว ก็กลับขอบพระคุณหลวงพ่อตรงที่ว่าต้องไปอยู่ในที่ที่เขาให้นําสมาธิแบบสมาธะท่นี้กลายเป็นว่าเราอ่ะกลายเป็นคนที่จิตไม่ว่างหลวงพ่อบอกว่าอย่าให้ว่างนานให้ว่างแป๊บเดียวก็รู้ตัวเองว่ามันปุ๊บเดียวอ่ะแต่ว่าหน้าที่นั้นเนี่ยเขาต้องการความจิตว่างจิตว่างปล่อยวางปล่อยวางซึ่งน่าสงสารนะไปขัดเขาไม่ได้เลยค่ะโยมจะถอนตัวออกมาแล้วค่ะดีฐานซะ เั้นก็เสียอยู่นั้นนะคืออย่าไปห่วงคนอื่นใช่ไหมคะบางทีชอบไปอยากช่วยเขาแต่รู้สึกว่าเขาไม่อยากรับความช่วยเหลือของเราค่ะแล้วเขาอยากฝึกมันไม่ใช่ทุกคนจะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้นะบางคนเราสะสมหลายพบหลายชาติบางคมอิหลายพระพุทธเจ้านะะคให้เขาทํา่าอดีกว่าเขาทาชั่วโยมก็ทําของโยมต่อแตะอย่างนี้ต่อไปนะคะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วรู้สึกไหม เราเปลี่ยนเปลี่ยนคือรู้ตัวขึ้นแต่ร้ายเยอะอะค่ะสังเกตไหมเวลาความคิดเหมือนความคิดมันอยู่ตรงนี้นะค่ไอ้รู้มันอยู่ตรงเนี้ยแต่ในรู้ที่ไปรู้ความคิดเนี่ยมันมีเราซ่อนอยู่ค่ะนะค่อยๆรู้ทันมันเป็นลําดับไปครั้งล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าให้ดูตัวที่ดีแอบอยู่ถูกเลยค่ะจริงๆแล้วมันไม่ดีเลยมันน่าเกลียดมากแล้วก็เราบังคับไม่ได้แต่รู้สึกว่าไม่อยากดีไม่อยากเป็นทั้งคนดีด้วยอะค่ะค่ะ ให้รู้ทันนาใ่ไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางค่ะค่ะอนุโมทนาให้ได้ดีกว่าเก่าเยอะเลยขอบคุณแต่ก่อนนี้ติดเพ่งเนี่ต้องแก่นะคนนี้ยติดเพ่งเมื่อก่อนเขาก็ติดนะเอาแก้ได้แล้วดูหน้าตาจะไม่เหมือนคนธรรมดาน่าจะใส่ใส่ดูออกไหมเอาโชว์หน้าให้เขาดูหน่อย <laughs> ดีไม่งั้นมันจะเปลิน แต่ยังไม่ได้ธรรมะนะ <to> <Mandal orian. S 2> มันยังมีเราอยู่ก็หน <kt> ูก็ช <kt> ีวิตประจำวันก็ด like ูความรู้สึกแล้วก็ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นอะค่ะก็จะเห็นบ่อยก็คือขี้หุดหยิดแล้วก็ขี้ลมคัอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็ก็จะแสดงกลับไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้ทันมากขึ้นนะค่ะ สมาธิก็ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าสีดีขึ้นนะคะหนูภาวนานได้ดีขึ้นแล้วละ่ะ <c oughs> ใจมันเริ่มเปลี่ยนแล้ว <c oughs> เวลาจะทำชั่วเนียมันลอายใจขึ้น <c oughs> ดีขอบคุณค่ะแล้วในชีวิตประจาวันนะคะถ้ามีเวลาว่างนะคะหนูก็จะสวดมนต์ในใจอะคะ่ะก็จะเห็นใจที่หนีไปคิดอะคะ่ะแต่ว่า <c oughs> ในบทสวดมนต์ก็ยังอยู่อะคะ่ะแต่เรื่องที่ไปคิดก็ ก็เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยค่ะสักพักก็จะจะมารู้ว่าอุ๊ยคิดอีกแล้วคิดอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราสวดด้วยไขสันหลังก็คืออันนี้ดูถูกหรือเปล่าคะถูกดีขึ้นเดยอะแล้วไปฟื้นฟูไปพื้นฐานเดิมหนูฟุ้งซ่านใช่ทุกวันก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ค่ะไม่เป็นไรนค่อยๆฝึกมันจะดีขึ้นเองกรับขอพระคุณหลวงพ่อนะคะถ้าหนูเคยประมาทพระพังน่วงเกินหลวงพ่อหนขอขมานะคะ ได้กราบขออนุญาตขอโอกาสหลวงพ่อครับผมได้เคยมีโอกาสฟังซีดีของหลวงพ่อมากราบเับใช่หรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยนไปดูออกไหมรู้สึกไหมว่าขันมันแยกได้ก็จะรู้สึกบ้างเหมือนกันครับก็ไม่รู้สึกตลอดแต่เวลามีสติให้มาใจตั้งมั่นขึ้นมาขันมันก็แยกออกไปครับนะพอนานดีแล้วล่ะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นกิเลสน้อยนะครับหลวงพ่อ แต่ตัวนึงเนี่ยที่เห็นบ่อยๆก็จะเป็นตัวโทสะตัออโวโทสะนะน่นะรารักกี่เลสแล้วทีนี้ก็คือตัวเนี้ยจะเห็นเฉพาะตอนขับรถนะครับหลวงพ่ อ, อ, อ, อขับรถบ่อยๆ <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าแต่วันไหนผมฟังซีหลวงพ่อไปด้วยเนี่ยจะไม่เกิด น, นะครับแต่ตอนนี้ผมเอาซีดีให้เพื่อนไป <laughs> <laughs> <laughs> เกิดทุกวันเลยครับนะฮแล้วก็ตัวหนึ่งจะเป็นตัวโมหะครับโมหะนี้ผมจะเห็น วันจันทร์จะเห็นบ่อยมากนะครับแล้วก็จะเห็นตอนตื่นมาแล้วก็ตอนเริ่มสวดมนต์ทุกตอนตอนตอนเช้าอื ม, มีครั้งหนึ่งนะฮะที่ตอนสวดมนต์อยู่มีความรู้สึกว่าจิตอะจะไม่เป็นสมาธิก็พยายามนั่งดูตัวเองว่าเฮ้ยเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ย จ, จ, จนเจอเจอโมหะตัวนี้ว่าตัวซึๆมๆเจอเสร็จปุ๊บใจมันเหมือนโมเทเวตขึ้นมาครับพ่อแล้วก็จะเริ่มมีสมาธิแล้วในการที่จะสวดมนต์นะครับ แล้วก็อย่างเมื่อ2วันนี้ตัวโทรศาผมช่วงขับรถอีกแล้วฮะก็ไปเจอตัวหนึ่งก็คืออันนี้ผมโกรธมากจริงๆครับหลวงพ่อโทรศาขึ้นมาเสร็จปุ๊บคือโกรธมากๆอยู่ในรถซัอพารนึงเสร็จพยายามดูมันก็ยังไม่ลงนะครับหลวงพ่อแต่ก็มันค่อยๆครับค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนมันหายไปแต่กว่าจ ะ, จะกว่าจะหายไปใช้เวลาพอสมควร น, นะฮะซพานึงเสร็จก็ ก็เกิดใหม่เกิดใหม่อีกครับใช่แต่ว่าวันหนึ่งผมจะดูหน้ามันห้ามไม่ได้ครับนะมันดูในมุมที่ว่ามันบังคับไม่ได้ครับแต่ในใจบางทีถ้าเกิดว่าผมถึงสวดมนต์และเกิดสมาธิใจก็อยากจะติดสุขก็อยากให้อยู่นานๆนะครับหลวงพ่อแต่ถ้เกิดไม่อยู่หรอกเราเป็นพวกปัญญากล้าครับถ้าปัญญากล้าเนี่ยจิตไม่ไปส่งสมาธินานครับักแป๊บเดียวก็ออกมาอีกแล้วครับก็ขอ ขออนุ ญ, ญาตขอการหลวงพ่อฮะว่าปัจจุบันเนี่ยผมควรจะทําในแนวทางไหนดีครับอปัจจุบันควรทําในแนวทางไหนคือจะดูกายดีไหมหรือจ ะ, อ ะ, จะดูใ จ, จ ด, ใดีครับที่สําคัญคือเราดูไตรรักได้ครับนะใจ ก, ก็แสดงใจรักใจ ก, ก็แสดงใจรักของคุณภาวนาม า, มาถึงตรงเนี้ยอะไรก็ได้แล้วครับนะใจมันมีกําลังนะสมาธิเขาดีอยู่หรอกครับจิตมีแรงครับ้จิตมีกําลังดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ จิตวอกแว๊วอกแว๊บตเริ่มอันใดหนึ่งซะ ก, ก่อนครับโอเครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อสาธุมาสการหลวงฝึกโดยการใช้จิตเป็นวิหารธรรมค่ะแล้วก็บริก ร, รมพุโทโธไปด้วยค่ ะ, ะเคยเห็นจิตเกิดดับนะคะเป็นชดชดไปออแต่ว่าจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อแล้วก็จิตมันไปคิดถึงการเกิดนะคะออจิตมันเศร้าหมองนะคะออมันไม่อยากเกิดอีก่ะคะ่ะ เกิดแน่นอนเลยค่ะแต่ก็มีอยากมีไม่อยากหน้ามันจะเกิดอีกแหละใช่ก็แต่แต่รู้ข่าว่าคือแบบว่าว่าว่าจิตมันมันมันรู้อะค่ะหลวงพ่อมันต้องสะสมนะค่ะศีลสมาธิปัญญาฝึกไปมันแก่กล้าเข้าไปทำลายอวิชชาอวิชชาซ่อนอยู่ในจิตอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยนิโรธมรร รู้ทุกข์แกมแจ้งละลาสมูทยัยเกิดนิโรธเจริญมรรคในขณะนั้ น, นประจักษ์กับนิโรธเกิดอริยมรรคเป็นเองไม่มีใครทําให้เกิดได้หรอกแต่ศีลสนาธิปัญญาพอแล้วมันเกิดเองขณะที่รู้ทุกข์ขณะใดรู้ทุกข์ขณะนั้นละาสมูทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขณะจิตเดียวที่จะข้ามวัฏฏะ ถ้ายังไม่เห็นทุกเชื่อเกิดคือตัวอภิชาเขายังอยู่ยังเกิดอีกคือทุกที่ผ่านมานี่คือยังยังหมายความว่ายังทุกไม่ไม่ปอใช่ไหมคนละทุกกันไอ้อ น, นี่ที่เราเห็นเนี่ยมันยังจิบจ้อยนะค่ะจนีเคยตัวทุกที่แตกหักข้ามภพข้ามชาตินะคือการเห็นว่าจิตผู้รู้เป็นตัวทุกเนะค่ะ <c oughs> เคยแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆมาเนี่ยคือตอนตอนตอนที่ฟังเนี่ยจิตมันจะเกิดอัตตาค่ะชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เคยส่งการบ้านบางทีก็คิดว่าฉันดีกว่าฉันทําฉันเจริญกว่าอะไรประมาณนี้หาดูทันนะหาดูทันค่ะแล้วก็แล้วก็มีความปิติขึ้นมาค่ะว่าเรารู้แล้วก็มันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นอนัตตาค่ะทุกท่ารู้ทันไปวันนี้จริงๆก็ เกิดกิเลสรู้ขึ้นมา อ, อว่าอยากอยากจะให้หลวงพ่อเป็นพยานนิดนึงอะค่ะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองแยกธาตุแยกขันได้หรือยังนะคะอย่ไปสนใจเลยรกับปัจจุบันไปนะ <c oughs> เห็นกายเขาทํางานเห็นใจเขาทํางานไปถึงแยกก็แยกช่วครา <c oughs> วมันไม่ได้แยกได้ตลอดกําลังเราไม่พอรอใจเราฟุ้งเก่งถ้าเราฟุ้งซ่างสมาธิไม่มีขันไม่แยกหรอก นั่งสมาธิไม่เคยสงบอะค่ะใจมันฟุ้งเพราะฉั้นเวลาแยกมแยกชั่วขณะเดี๋ยวก็ไปรวมกันอีกเดี๋ยวก็แยกอีกไม่เป็นไรแค่นั้นก็พอแล้วกราบขอการบ้านไปฝึกต่อด้วยค่ะไปทำเอากราบนมัสการค่ะค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือปฏิบัติอปัจจุบันนะคะจะปฏิบัติด้วยการบริกรรมคําว่าพุทโธะค่ะ แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันบางทีก็จะรู้สึกว่าเหมือนฟุ้งซ่านบางทีก็ซึมบางทีคือมันจะมีหลายอารมณ์แต่สุดท้ายมันจะไปจบที่เหมือนเราเกิดทุกขค่ะก็คือว่าเราอยากจะเลิกแล้วเช่นเราเป็นเน็บเป็นแบบเรานั่งต่อไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะทีนี้น่ยก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือโทสะจริตอะมั น, ม, นมันเยอะมากเพราะเมื่อก่อนที่เราปฏิบัติตเยอะๆเหมือนเราจะดีขึ้นแล้วว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนแบบ มือนจิตอะไรที่มันมากระทบกระเทือนจิตใจเนี่ยมันจะรู้เลยว่าแบบเราโกรธโกรธมากๆเงี้ยค่ะแต่ว่าเคยฟังซีดีหลวงพ่อค่ะถ้าช่วงระหว่างวันอย่างเงี้ยหนูจะไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราดูใจดูจริงไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดโทรศัพท์แล้วเราจะรู้ว่าเราโกรธแล้วก็รู้สึกตําหนิตัวเองว่ามันไม่ดีอะค่ะก็เลยอยากจะถามแนวทางหลวงพ่อว่าจริงๆหนูควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างหรือว่าต้องทํำยังไงะะโกรจจมันนดิต ไม่ต้องไปห้ามมันนะแค่อย่าให้มันผิดศีลเทนะ่านั้นแหละโกรธก็อยู่ในใจนะไม่ออกมาทางกายวาจามีสติรู้ทันเห็นมันเกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมานดับไปเคยฟังซีดีหลวงพ่อเราเห็นบางคนบอกว่าสามารถแยกขันแยกกายความรู้สึกหนูรู้สึกว่ามันยากมากเลยคือหนูคว <น S 1> ที่จะเริ่มเริ่มแบบสังเกตหรือเปล่าว่ากิเลสกับจิตเป็นโครานกันความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นมันนั่นแหละแยกแล้ว เออไม่ใช่ว่าแยกขันนะเอาจิตไปไว้บนหลังคาแล้วกายอยู่ในห้องนะอย่างนั้นแยกไม่เป็นหรอกแยกด้วยสมาธินั้นมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่เรารู้ว่าเปาน็นคนละอันกันแยกด้วยปัญญาอันนี้คือก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่กแค่รู้ตัวรู้ใจจุดตอนที่มีอันหนึ่งนะซึงสร้างเก่ง เพราะะนั้นพุทโธไปในระดีแล้วเพราะพุทโธไปแล้วหนูก็ถ้าหนูฟุ้งหนูก็จะกรรมพุทโธอีกอย่างนี้ถูกไพุทโธทั้งวันเลยสงบพอพุทโธฟุ้งซ่านก็พุทโธนะใช่ค่ะแล้วไม่ใช่พุทโธให้สงบพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปพุทโธแล้วจิตสงบพอรู้พุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันจิตมันจะสงบของมันเองแต่ถ้าพุทโธโดยหวังว่าจะสงบนะมันจะไม่สงบหรอกเพราะใจมจะเครียดใจเครียดใจไม่มีความสุขไม่มีสมาธิเกิดขึ้น หลวงตามหาบัวนะชอบพุโทโธนะน้องสาวท่านนะคือคุณแม่จันดีไปเจอหลวงพ่อท่านถามหลวงพ่อว่าถ้าอาจารย์พอนางไงจิตลงที่เดียวกันหลวงพ่อบอกหลวงพ่อใช้อานาปนาสติตั้งแต่เล็กๆหายใจแผ่เชิญกายเป็นแสงนะแล้วก็รู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะรู้แสงอยู่นะจิตหนีเรารู้หนีเรารู้ท่านบอกท่านนั้นอันเดียวกันแต่ท่านใช้พุโทโธท่านไม่ได้ใช้หลมนะท่านพุโทโธแล้วรู้ทันจิต พุทโธพุทโธแล้วจิตนี้ไปเรารู้พุทโธจิตนี้ไปเรารู้นะในสุจีจะได้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมานไปเจริญปัญญาเนะียนพุทโธต้องพุทโธให้เป็นไม่ใช่พุทโธให้นิ่งๆ น, นั้นพุทโธนกแก้วนกขุนทองนะพุทโธไปเรื่อยแล้วก็รู้ทันจิตไปจิตสงบก็รู้พุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้อนะย่างนั้นแหละทาได้ทั้งชาติเลยขอบคุณมากค่ะ กา ร, รมาสการค่ ะ, อะขออนุ ญ, ญาตขอโอกาสสอบถามหลวงพ่อค่ะพอดีว่าหนูได้ฟังซีดีแล้วก็ฟังจาก y ยูทูบค่ะหลวงพ่อแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามมาแต่ว่าบางครั้งอะค่ะก็คือจะดูกายบ้างดูจิตบ้างแต่ว่าในบางครั้งมารู้สึกว่าเหมือนเราไป น, นึกนึกคิดจากสิ่งที่ที่เรามองะค่ะหลวงพ่อก็เลยจะสอบถามหลวงพ่อว่านึกคิดบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ไปห้ามมันทีเดียวก็ไม่ได้นะแต่สังเกตไหมว่าใจเราเปลี่ยนไปถูกแล้ว ที่หนูภาวนาคือตอนนี้แล้วหนูติดพุทโธมากค่ะเดี๋ยวพอพุทโธไปไม่ได้เสียหายอะไรเลยคือตอนนี้จะเป็นการติดสมถะไหมคะหลวงพ่อพุทโธเพื่อให้จิตนิ่งอย่าติดสมถะพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจะได้ปัญญาการแยกมองกายอะค่ะมันเหมือนการแยกกายแยกจิตเนี่ยมันมันคือเราต้องรู้สึกยังไงอะคะหลวงพ่อถึงจะเรียกว่าแยกกอยูู่แอล้้วตนนีหเห็นไหมตัวอะไรมันพนมมือเห็นไหมตัวอะไรแบบยักษ์มากบางครั้งมันก็แบบ หายบางครั้งก็เป็นออบางครั้งก็ไม่เป็นถ้าไม่มีสมาธิมันไปรวมกันหมวถ้าจิตมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นะมันก็เห็นผู้รู้กับสิ่งถูกรู้แยกออกจากกันอย่างไปรู้ร่างกายร่างกายก็เป็นสิ่งถูกรู้จิตเป็นผู้รู้แยกออกจากกันหรือกิเลสถูกรู้ใชจิตเป็นผู้รู้นี่อย่างนี้แยกออกจากกันมันมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ถ้ามีสองอันนี้อยู่ด้วยกันก็ใช้ได้ละ ถ้าไม่มีผู้รู้กับสิ่งถูกรู้นั้นไปรวมกันเป็นผู้หลงอะในสิ่งที่หนูจูหลวงพ่อต้องอยากแนะนำอะไรไหมคะถูกแล้วละ่ะมี้โมโหนะจิตมันขี้โมโหอะให้รู้ทันเวลามันโมโหอะ <ขา S 2> โมโหแล้วร้ายด้วยสิเนี่ยขา่ขาโมโหกรนับสักการหลวงพ่อครับก็มา แจ้งปัญหาและขอแนวทางปฏิบัติด้วยครับคือผมเผยก็เห็นกายเห็นจิตเป็นข่าวเป็นข่าวถูกแล้วล่ะครับแต่ไม่มั่นใจตัวเองมากนะถูกแล้วล่ะก็ขอแนวทางที่ปฏิบัติให้ที่ที่ปฏิบัติน่ะถูกแล้วขันมันก็แยกได้ก็ดูกายดูใจตอนไหนมีกำลังมากจิตใจทำงานเราก็มองเห็นแล้วก็ดูจิตใจมันทำงานได้เอง ใ, ใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะแต่ตอนไหนเราดูจิตไม่ไหวเราก็ดูกายไปโดยธรรมชาตินะถ้าอายุสักสี่สิบแปดหรือห้าสิบอะไรขึ้นไปเนะียต้องเอากายมาช่วยลนะดูจิตอย่างเดียวมันจะซึมไปนะเอาคุณทำถูกแล้วล่ะดูได้ทั้งกายทั้งจิตแล้วล่ะครับสาธุครับหมดแล้วนะหลวงพ่อจะได้ไป รับพอนะยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันทูปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพรโควินาสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกพวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังวิทาปจายิโนจ ต, ตารโรธมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังนุภ้านุโมท น, า น, า, นานะกับทางบ้านบุญนนนนำนะจัดให้พวกเราได้โอกาสฟังธรรมอย่าลืมที่หลวงพ่อสอนนะสรุปง่ายๆนะถือซีนห้าไว้ทุกวันแบ่งเวลา ปฏิบัติในรูปแบบอย่างน้อยสินาทีไหว้พระสวดมนต์ชนิดหนึ่งก่อนแล้วก็จะนั่งหรือจะเดินก็ไม่สําคัญหรอกแต่ว่าทําทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี้ยเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูไปอย่างถ้าเรานั่งอยู่เราก็เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูถ้าเดินอยู่ก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปแล้วเวลาจิตมันหลงไป มันหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือมันไหลเข้าไปเพ่งในร่างกายให้คอยรู้ทันถ้าเมื่อไร่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปอะไรมาสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นพอสมาธิแท้จริงเกิดนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนี่ยปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่เรานะถ้าจิตมีสมาธิเป็นคนดูอยู่นะจิตใจมันทํางานมันมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมันจะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราสุดท้ายมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะ นั่งสมาธิเคลิ้มเคลิ้เนี่ยเลิกสเสืเถอะเสียเวลากี่ชาติก็อยู่แค่นั้นนะอันะอละไปแล้วละโมทนานะ